สองร้อยสามสองพุทธสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงพลังงานชีวะชัดเจนพลังงานพีชานิยาม น, านั้นมีรูปให้เรียนรู้ได้เริ่มตั้งแต่เป็นช่องเล็กๆว่างๆนิชและเริ่มมีเซลประถมภูมิไพรเมอร์เซลที่เป็นธาตุแห่งชีวะกอภาวะแห่งชีวะขึ้นในนั้น ซึ่งธาตุแห่งชีวะนี้จะเริ่มเป็นสัญญาถ้ามีเซลล์ทุติยภูมิแซก ary ิเซลเกิดต่อเนื่องขึ้นก็จะเป็นสังขารขึ้นต่อไปเริ่มเป็นชีวะจนเป็นพีชานิยามเต็มรูปซึ่งพีชานิยามนี้แม้จะเป็นพีชานิยามเต็มตัวแล้ว พลังงานก็ยังไม่มีเวทนาความรู้สึกจึงยังไม่ชื่อว่าสังขารที่มีวิญญาณครองอุปาทิ น, นกะสังขารเป็นได้แค่สังขารที่ไม่มีวิญญาณครองอนุปาทิ น, นกะสังขารเพราะยังไม่มีความรู้สึกไม่เจ็บไม่ปวดไม่รักไม่ชัง จึงยังไม่มีกรรมก็ไม่มีวิบากไม่มีการจองเวรจองกรรมข้ามชาติจิตนิยามจะมีประสาทหกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะรับรู้ในทวารทั้งหกจึงจะเรียกว่าวิญญาณและนับเป็นชีวระดับสัตว์จิตนิยามนั้นมีทั้งความเป็นชีว ที่เป็นภีชันิยามในตัวซึ่งมีความเป็นชีวะสูงกว่าความเป็นภีชันิยามขึ้นไปอีกจึงเป็นพลังงานที่มีความรู้สึกอันเป็นชีวะที่มีเวทนาเวทนาตัวนี้แหละที่เป็นตัวสร้างกรรมจิตนิยามจึงเป็นพลังงานที่มีกรรม มีวิบากสังสมที่ก่อให้เกิดเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยจึงเป็นสังขารที่มีกรรมครองอุปาทินกะสังขารข้ามพบข้ามชาติเป็นนิยายปรำปรราเป็นชาดกเป็นตำนานเป็นเรื่องราว หรือนิยายอันหลากหลายมากมายพิสดารอยู่ในโลกเช่นทุกวันนี้คนพยายามจะสร้างหุ่นยนต์ให้พลังงานในตัวหุ่นนั้นมีอารมณ์หรือมีความรู้สึกให้ได้เหมือนมนุษย์นั่นเองถ้าแม้นทำได้ก็คือการสร้างพลังงานของ ส, สาร ให้เป็นชีวะสาเร็จหุ่นยนต์นั้นก็เป็นสัตว์แล้วมีกรรมครองวิญญาณครองแล้วพระพุทธเจ้าจึงให้เรียนรู้ตรงธรรมะสองและธรำธรรมะสองนี้ให้สําเร็จลงเป็นธรรมะหนึ่งเอกคตาจิตให้ได้เป็นสําคัญทเวธรร ม, มา ทาวาเยนเวทนายะเอกสโมสรนาพวันติไม่เช่นนั้นจิตตัวนี้หรือวิญญาณตัวนี้จะอารวาสสร้างนิยายร้ายแรงขึ้นมาให้แก่โลกไม่หยุดร้าย